กรับรู้ไปยังบริเวณที่ใกล้เคียงจะโดยอนุโลมและปฏิโลมค่ะอนุโลมและปฏิโลมอนุโลมและปฏิโลมซ้ําแล้วซ้ําอีก Some listeners asked me how long do I need to spend to discern p u s h i n g characteristics clearly. มีผู้ฟังบางท่านได้เรียนถามพระอาจารย์เววตาว่าเขาจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการที่จะกาหนดรู้ลักษณะผลักได้อย่างชัดเจนพระอาจารย์เววตาตอบว่าแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลคนที่มีบารมีสามารถกาหนดได้อย่างง่ายๆเลยแต่คนที่ไม่เคยมา ก็ยากมีต้องใช้เวลามากเพื่อจะเข้าใจลักษณะของการพลักพลักคะ Because of this reason, it depends on individual. If you need to spend longer time, spend. If you can descend quickly, clearly, throughout the body, also good. ดังนั้นจึงแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือจำเป็นที่จะต้องกำหนดรู้ได้อย่างชัดเจน Yes so after pushing characteristics o m e t i m e s in our monastery meditators they do pushing characteristics for one and one and half hour sitting And then it becomes clear. And the next sitting, they need to descend pushing characteristics as clearly as they can, from head to toe, toe to head, again and again. At the temple, the p r a c t i c า n g ร o n k s <laughs> are able to identify the nature of the illness from head to toe, toe to head, again a n a ได้ได้อย่างชัดเจนในเวลาเพียงหนึ่งบรรลังนานหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็ในบรรลังต่อไปเมื่อเขาเขาก็กำหนดรู้ลักษณะของการผลักชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนการรับรู้ไปยังบริเวณที่ใกล้เคียงจนจนกระทั่งทำสามารถทำได้โดยทั้ง อนุลมและปฏิโลมจากศีสาจรวดเท้าและจากเท้าจรวดสีสาซ้าแล้วซ้าอีกค After that need to continue another characteristics which is hardness หลังจากนั้นก็เขาก็สามารถที่จะกำหนดรู้สภาวะลักษณะที่ง่ายต่อเป็นประการต่อไปก็คือความแข็งค่ะ So to understand the characteristics of the hardness We suggested meditators to bite the teeth strongly. u s to bite the teeth strongly. So if we bite teeth strongly, we feel hardness of the teeth. We feel hardness of the jaw around here. So we no need to. b i t continuously <laughs> just to understand b i a little bit if you if you understand you can start descend hardness clearly around here first ก็โดยการที่กัดฟันอย่างแรงท่านก็จะสามารถรับรู้ถึงความแข็งของนอกไม่เฉพาะที่ฟันแต่ว่าบริเวณเหงือกหรือว่าที่ใกล้เคียงด้วยแต่ว่าไม่ต้องกัดฟันนานๆนะคะให้กัด ให้กัดฟันเพียงพอที่จะได้รับรู้ลักษณะแข็งก็พอแล้วค่ะให้ให้รู้ได้ชัดเจนแล้วค่อยกัดใหม่ If you can discern hardness around here clearly, move awareness apart nearby, and then the whole head, to your neck, both of your shoulders, trunk of your body, and up to your toe, and the toe to head, head to toe clearly as much as you can. และเมื่อสามารถที่จะรู้สภาวะลักษณะความแข็งที่ที่ฟันและบริเวณใกล้ใกฟันได้แล้วอย่างชัดเจนจากนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายการรับรู้ไปที่จุดบริเวณใกล้เคียงก็คือที่ใบหน้าและที่ศีรษะจากนั้นก็ค่อยคอยเลื่อนความรับรู้ลงมาที่ที่คอที่ไหล่แล้วก็ที่ลำตัว แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนความรับรู้ไปตลอดทั้งขาจนกระทั่งถึงปลายเท้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบอนุโลมเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนแบบปฏิโลมจนจากปลายเท้าจรหลดสีสะแล้วก็อนุโลมจากสีสะจะหลดปลายเท้าให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้คะ so ่ะสุเวน you can discern hardness clearly throughout the body you need to start from pushing again pushing throughout the body clearly hardness throughout the body clearly เมื่อท่านสามารถที่จะกําหนดรู้สภาวะลักษณะความแข็งได้ทั่วทั้งกายอย่างชัดเจนแล้วในลําดับต่อไปท่านจําเป็นที่จะต้องกำหนดรู้ ย้อนหลังตั้งแต่ลักษณะของการผลักด้วยทั้งกายให้ชัดเจนแล้วก็ต่อด้วยลักษณะของความแข็งด้วยทั้งกายให้ชัดเจนต้องทำต้องทาซ้ำค่ะ after that after d e s c e n d i n g pushing and hardness clearly throughout the body you all need to start you all need to continue roughness capitalistic เมื่อท่านสามารถที่จะกําหนดรู้ความปนักและแล ะ, และการแข็งแล้วลักษณะต่อไปที่ทําได้ง่ายก็คืออาการหยาบค่ะ Roughness is the characteristic that most of the meditators could not feel clearly ลักษณะอาการหยาบนี้เป็นลักษณะที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ชัดเจน could descend very clearly they very มีผู้ปฏิบัติเพียงบางท่านที่สามารถที่จะกําหนดรู้ลักษณะหยาบได้อย่างชัดเจนมากค่ะสําหรับพวกท่านทุกคนก็พระอาจารย์ก็ อนุญาตให้กำหนดรู้ให้ชัดเจนให้มากที่สุดที่ท่านจะสามารถทำได้ค่ะในการที่จะทำความขเข้าใจลักษณะหยาบก็ให้ท่านใช้ลิ้นของท่านเนี่ยแตะที่ฟันค่ะ without without <laughs> some How to say? They h i v e t o n e Out. Not. <laughs> Don't. Just touch. Rough the tip of the teeth. We can feel the roughness. Not to pull the lens <laughs> out. Just. Just. j s ให้ใช้ให้ใช้ลิ้นถูที่ฟันไปมาท่านก็จะสามารถรับรู้ลักษณะหยาบได้ค่ะพอพั your body so the place where your body touch touches with the cloth t h r e if you feel if you pay attention also you can feel roughness too หรือว่าท่านจะ แต่ต้องที่บริเวณสัมผัสที่บริเวณใดในร่างกายที่มีมีความหยาบท่านก็จะสามารถที่จะพยายามที่จะรับรู้อาการหยาบค่ะ oh, หรือว่าท่านอาจจะใช้หลังมือนะคะถูที่ถูที่ผ้าหรือผิวหนังนะคะท่านก็จะสามารถรับรู้ถึงอาการหยาบที่ผ้าดีกว่า ดูที่ผ้าดีกว่าค่ะ <laughs> so when when you understand roughness you can start from anywhere you can do easily throughout the body clearly as much as you can เมื่อท่านสามารถที่จะกําหนดรู้ลักษณะหยาบได้อย่างชัดเจนในบริเวณใดก็ตามของร่างกายแล้วท่านก็สามารถที่จะเริ่อน ย้ายการกาหนดรู้ลักษณะหยาบไปในบริเวณที่ใกล้เคียงจนกระทั่งท่านสามารถที่จะย้ายการกาหนดรู้ลักษณะหยาบไปได้จนทั่วร่างทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมซ้าแล้วซ้าอีกเท่าที่ท่านจะสามารถทาได้ค่ะ เมื่อท่านในความสามารถที่จะกำหนดรู้ลักษณะหยาบได้อย่างชัดเจนแล้วทีนี้ท่านก็จำเป็นที่จะต้องทำซ้ำตั้งแต่ตั้งแต่ลักษณะแรกที่เราได้กำหนดรู้ก็คือลักษณะพลักแล้วก็แข็งแล้วก็หยาบทำซ้ำใหม่ค่ะตั้งแต่ทวนตั้งแต่ต้น after that you all need to continue heaviness หลังจากนั้นท่านก็จาเป็นที่จะต้องรับรู้ลักษณะต่อไปที่ทำได้ง่ายก็คือความหนักค่ะ So heaviness is not the difficult one. You are sitting. So if you pay attention the lower part of the body, upper part of the body is on the lower part of the body. So if you press against the floor or if you press both of your knee, you can feel the heaviness clearly. ในการที่จะรับรู้ลักษณะหนักท่านสามารถที่จะใส่ใจไปที่ส่วนล่างของร่างกายแล้วก็หัวเข่าหรือว่าท่านจะสามารถกดขาของท่านไว้กับพื้นท่านก็จะสามารถรับรู้ลักษณะหนักได้ค่ะ so descend heaviness as much as throughout body you clearly much can the และเมื่อท่านสามารถที่จะกําหนดรู้ลักษณะหนักได้อย่างชัดเจนแล้วก็ให้ย้ายาการการรับรู้ลักษณะหนักไปทีละส่วนจนกระทั่งทั่วร่างกายเท่าที่ท่านจะสามารถทําได้ค่ะ After that what to do? You do? Go back to the pushing, pushing throughout the body clearly. hardness ของต e วร่ y งกายชัดเจ roughness ของตัวร่างกายชัดเจน heaviness again เมื่อเสร็จจากลักษณะหนักที่ท่านสามารถเห็นได้ชัดเจนแล้วท่านก็จําเป็นที่จะต้องทําทวนซ้ําใหม่ตั้งแต่เริ่มก็คือลักษณะพลักแข็งหยาบหนักผู้ที่บันหลุดจะดูะชันแล้วถ้าเขากําหนดลักษณะต่างๆง่ายมากเลย เพระฉนั้นถ้าสามารถบลุจุดถึงจุดตชันก็สามารถปฏิบัติวิปัสสนาได้อย่างง่ายๆเลย So now finish four characteristicsSo another one is supporting. s u p p o r t i n g l s t กำหนดรู้เสร็จไปท่านอธิบายเสร็จไป4ี่อย่างแล้วต่อไปก็คือการผลักค่ะอ้ขอโทษค่ะการค้าจุนค่ะการค้ำจุ น, so, จน After d e s c e n n i n g pushing hardness roughness heaviness clearly if you bend your body forwards pay attention your body doesn't fall down you will feel something supporting to make it more clear erect your body again When erect time feel more can your body erect, at that time you at clearly พระอาจารย์เรวตาสอนว่าในการที่จะกําหนดรู้ลักษณะการค้าจุนให้ท่านเอ็นกายไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็หยุดแล้วก็สังเกตว่ามีลักษณะการค้าจุนเกิดขึ้นแล้วให้ท่านตั้งกายให้ตรงแล้วก็สังเกตดูให้เห็นลักษณะการค้าจุน ให้ทำอย่างนี้จนกว่าท่านจะสามารถสังเกต ด, ดับรู้ลักษณะการคำจุนได้อย่างชัดเจนค่ะ right, หรือวาท่านอาจจะเอนกายไปทางซ้ายแล้วก็ตั้งแล้วก็สังเกตดูลักษณะการคำจุนแล้วก็ตั้ง ตั้งกายให้ตรงและสังเกตลักษณะการคําจุนหรือเอนกายไปทางขวาและสังเกตลักษณะการคําจุนแล้วก็ตั้งกายให้ตรงและสังเกตลักษณะการคําจุนค่ะ So you need to descend supporting as clearly as you can throughout the body After that, start from pushing up to supporting clearly again. เมื่อท่านสามารถที่จะรับรู้ลักษณะของการคำจุนได้อย่างชัดเจนแล้วจากนั้นท่านก็ต้องย้ายการรับรู้ไปยังบริเวณอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงจนกระทั่งท่านสามารถย้ายการรับรู้ไปจนตลอดทั่วร่างและรับรู้การลักษณะการคำจุนได้อย่างชัดเจนเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้หลังจากนั้นท่านก็ต้องทวนซ้าใหม่ตั้งแต่ลักษณะการผลัก แข็งหยาบหนักคำจุนค่ะ so after five characteristics you need to continue softness เมื่อเสร็จไป5ลักษณะแล้วท่านก็จําเป็นที่จะต้องทําต่อก็คือความนุ่มค่ะ so to understand the characteristics of the softness press your inner lip with your tongue ในการที่ท่านจะทำความเข้าใจลักษณะนุ่มขอให้ท่านใช้ลิ้นกดที่ริมฝีปากล่างด้านในค่ะยูฟี่ใช่ไใช่ so you can start from anywhere you feel softness and descend throughout the body clearly หรือว่าท่านจะสามารถจะเริ่มจากจุดใดในร่างกายก็ได้ที่ท่านสามารถจะสัมผัสถึงลักษณะนุ่มค่ะเมื่อท่านสามารถที่จะเข้าใจลักษณะนุ่มได้อย่างชัดเจนแล้วก็ขอให้ท่านเคลื่อนย้ายการรับรู้ลักษณะนุ่มจะไปบริเวณข้างเคียงจนกระทั่งท่านสามารถเห็นลักษณะนุ่มได้ทั่วร่างอย่างชัดเจนเท่าที่ท่านสามารถจะทําได้ after that from pushing Up to softness throughout the body as clearly as you can. After that, you have to ลักแข s งหยาบหนักค t h all ละนุ่มเท่าที่ท o านจะสามารถทํา f t n e s s Up t o softness, we need to continue lightness, softness, smoothness. ากลักษณะนุ่มแล้วท่านก็ต้องทําลักษณะเรีย n e s s smoothness smoothness smoothness เรียบถูกและใ yes yes s yes. o so, to understand the characteristics of the smoothness with your tongue rub your inner lip from left to right right to left you can see the smoothness การที่จะทาความเข้าใจลักษณะเรียบก็ให้ท่านใช้ลิ้นของท่านถูไปที่ริมฝีปากด้านในนะคะ ถูไปจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายท่านจะสามารถรับรู้ลักษณะเรียบค่ะ so you can descend smoothness from where you can feel easily throughout the body clearly หรือว่าท่านอาจจะสัมผัสบริเวณส่วนใดส่วนส่วนใดของร่างกายก็ได้ที่ท่านจะสามารถรับรู้ลักษณะเรียบได้ชัดเจนมากที่สุดเมื่อท่านสามารถรับรู้ลักษณะเรียบได้ชัดเจนที่ส่วนนั้นแล้ว ก็ขอให้ท่านเคลื่อนย้ายการรับรู้ลักษณะเรียบไปบริเวณข้างเคียงจนกันแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆจนท่านสามารถที่จะรับรู้ลักษณะเรียบได้ตลอดทั่วทั้งร่างเท่าที่ท่านจะสามารถทําได้ค่ะ After that, you need to start from pushing หลังจากนั้นท่านก็ต้องทําทวนซ้ําใหม่ตั้งแต่ลักษณะผลักแข็งหยาบหนักคําจุนนุ่มเรียบค่ะ and then You need to continue lightness. After t h you have to o n t i lightness. So to understand the characteristics of the lightness, if you lift your finger, when you lift up, at that time it is light. When it goes down, it is heavy. Okay? If you understand, you can take it, and then you can start from anywhere. You feel easily. ในการที่จะรับรู้ลักษณะเบาก็ขอให้ท่านกระดิกนิ้วเพียงหนงนิ้วนะคะให้ให้เคลื่อนนิ้วอย่างเช่นนิ้วชี้นะคะให้พอเคลื่อนนิ้วชี้ขึ้นท่านจะสามารถรับรู้ลักษณะเบาแต่เมื่อเคลื่อนนิ้วชี้ลงท่านจะสามารถรับรู้ลักษณะหนักให้ท่านเรียนรู้ที่จะรับรู้ลักษณะเบาโดยการโดยการเคลื่อนนิ้วค่ะ หรือว่าท่านอาจจะทําอย่างอื่นเพื่อที่ท่านจะสามารถรับรู้ลักษณะเบาแล้วก็ค่อยๆเ ค, คลื่อนย้ายการรับรู้ลักษณะเบาไปทีละส่วนจนกระทั่งทั่วร่างกายเท่าที่ท่านจะทําได้มากที่สุดค่ะโอ t i o n the opposite of the heaviness characteristic also you can understand too หรือว่าการรับรู้ลักษณะเบาท่านก็อาจจะ ทำได้โดยการรับรู้ลักษณะที่ตรงกันข้ามกับลักษณะหนักก็ uh, After that you need to start from the pushing up to lightness as clearly as you can เมื่อเสร็จแล้วท่านก็จําเป็นที่จะต้องทําทวนซ้ําจากลักษณะผลักค่ะผลักแข็งหยาบหนักคำจุนนุ่มเรียบเบาค่ะ How many characteristics o u Eight Eight. Eight. After that, heat and cold. Yeah, heat and cold. Heat, heat and cold. After t h yeah. e s two more characteristics, which are h t and cold. So, if you pay attention, if you are going to practice characteristics of heat, you can pay attention any part of your body. You can feel heat. Easily in the hot country. In การรับรู้ลักษณะร้อนนะคะท่านสามารถที่จะใส่ใจไปที่ส่วนใดๆของร่างกายก็ได้เพราะว่าเราอยู่ในประเทศร้อนท่านจะรับรู้ลักษณะร้อนได้อย่างง่ายได้ค่ะ Descend throughout the body clearly. When you can descend. Heat characteristics clearly start from the pushing up to heat again. เมื่อท่านสามารถที่จะรับรู้ลักษณะร้อนได้อย่างชัดเจนไปทั่วร่างกายแล้วท่านก็ต้องทําทวนซ้ําใหม่ตั้งแต่ลักษณะพลักแข็งหยาบหนักคําจนนุ่มเรียบเบาร้อนค่ะ So f a r about the coldness? When you breathe in, it is cold. When you breathe out, it is hot. That's why you can pay attention the coldness characteristics when you breathe in. สำหรับลักษณะเย็นเมื่อท่านหายใจเข้าท่านจะรู้สึกท่านจะรับรู้ได้ถึงลักษณะเย็นและเมื่อท่านหายใจออกท่านจะรับรู้ได้ถึงลักษณะร้อนก็ขอให้ท่าน ทำความเข้าใจลักษณะเย็นจากจุดที่ท่านเห็นได้ชัดเจนทีน่สุดแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายความ ก, การรับรู้ลักษณะเย็นไปจนทั่วร่างค่ะเ so as as มื่อท่านทำลักษณะเย็นได้ชัดเจนแล้วท่านก็จำเป็นที่จะต้องทำทวนซ้ำใหม่ตั้งแต่ลักษณะพลัก แข็งหยาบหนักคาจุนนุ่มเรียบเบาร้อนเย็นค่ะเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้ Before going to continue the last two characteristics, we all should descend these ten characteristics again and again. The last two are the most difficult one. That's why if we can do the former ten characteristics again and again, it help to understand the, the last two characteristics. ในการที่จะกําหนดรู้ลักษณะ2ลักษณะที่เรายังไม่ได้กําหนดรู้นะคะซึ่งเป็นลักษณะที่ยากที่จะกําหนดรู้โดยที่ถ้าเราได้กําหนดรู้ลักษณะที่ 1- นึถึงที่สิที่เราได้กําหนดรู้มาแล้วเนี่ยทำซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเห็นอีก2ลักษณะได้ ามเอได้ดีได้ชัดมากขึ้นนะคะ so after t a descending t a k i n e the s clearly throughout the body again and again at that i m e it should continue flowing เมื่อท่านสามารถที่จะทำกำหนดรู้ทั้งสิบลักษณะที่กล่าวมาแล้วคือผลัก แข็งหยาบหนักคำจนนุ่มเรียบเบาร้อนเย็นแล้วทำได้อย่างชัดเจนแล้วก็จึงจะมาดูที่ลักษณะไหลค่ะ flowing how to pay attention so in our mouth from between the teeth saliva is always flowing so if you pay attention it also you will understand it ในการที่จะทำความเข้าใจลักษณะไหลให้เราดูที่ในปากของเราซึ่งในระหว่างในระหว่างแก้มกับฟันเนี่ยจะมีน้ำลายมักจะไหลอยู่เสมอก็ให้เราพยายามทำทความเข้าใจลักษณะไหลจากน้ำลายที่ไหลออกมา or you can pay attention to the flowing of the blood throughout pay body can the the the หรือว่าท่านอาจจะใส่ใจไปที่การไหลของเลือดที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกาย body เมื่อท่านได้เห็นลักษณะไหลโดยชัดเจนแล้วจากนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายการรับรู้ลักษณะไหลไปจนทั่วร่าง ให้มากที่สุดที่ท่านสามารถทำได้ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเผื่อว่าท่านประสบความยากลำบากในการที่จะกำหนดรู้ลักษณะไหลท่านจำเป็นที่จะต้องทำทวนซ้ำใหม่ในสิบลักษณะแรกตั้งแต่ผลัก แข็งหยาบหนักคำจุนนุ่มเรียบเบาร้อนเย็นทำซ้ำแล้วซ้าอีก so when you are successfully descend when you can de successfully descend flowing characteristics you should continue cohesion แต่ว่าท่านประสบความสาเร็จในการกำหนดรู้ลักษณะไรได้แล้ว ลักษณะที่สิบสองก็คือลักษณะการเกาะกลุ่มะในการที่จะทำความเข้าใจลักษณะก่อใทนก่ารที่จะเกุมก็ขอให้ท่านกำมือรมลักษณะกาก้ำอคกวามเข้าใจลักษณะเกุ่ม็อนกมค่ะลษณะเุมก็ขอให้่นการที่จะทความเข้าใจลักษณะกากลุ่มก็ขอให้ท่านกมือามษณะเล้ือค่ะวาม t ข้าใจลัก h ณ n เกาะกลุ่มก็ขอให้ท ให้ท่านกำมือนะคะและเหยียดแขนออกไปเสร็จแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งเกาะเกาะไว้ที่แขนนะคะท่านท่านเห็นลักษณะ like, like tie with something ลักษณะเกาะกลุ่มเหมือนกับการผูกผูกไว้ด้วยบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะ If someone hold our body very tightly at t h e t i m e also we can feel the coition ถ้าเผือว่ามีบางคนเกอดเราไว้แน่นๆในเวลานั้นเราก็จะสามารถรับรู้ถึงลักษณะเกาะกลุ่มได้ชัดนะคะ So if descend descend the cohesion co as clearly as you can throughout the body after that you need to start from the pushing up to the cohesion as clearly as you can many many rounds many many times เมื่อท่านสามารถที่จะ กำหนดรู้ลักษณะเกาะกลุ่มได้อย่างชัดเจนทั่วร่างแล้วท่านก็จำเป็นที่จะต้องทำทวนซ้ำใหม่ทั้งสิบสองลักษณะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆรอบค่ะ so if you can descend clearly and if you can descend easily the time you should change the way of descent as a whole from your back shoulder ขอ each characteristic ขอให้เมื่อเมื่อท่านสามารถที่จะรับรู้ลักษณะทั้งสิบสองลักษณะได้อย่างได้อย่างชัดเจนทำซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็จาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการกำหนดรู้โดยโด ย, โดยที่ให้เหมือนกับเรามองมองตัวเราเองจากด้านหลังไหลอะคะ่ะ แล้วก็ให้กำหนดรู้ลักษณะทั้งสิบสองนะะแต่ละอย่างลักษณะแต่ละอย่างเหมือนกับว่าเรามองตัวเองจากด้านหลังไหลเพราะว่า our head is very sensitive that's why we should skip doing just from your back shoulder for pushing in a glance as a whole so if you can do you can do quicker pushing as a glance in a glance as a whole from your back shoulder hardness in a glance as the h o from your back shoulder เพราะว่าส่วนศีรษะเป็นเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ไวนะคะเป็นส่วนที่ไวต่อความรู้สึกดังนั้นเราเราไม่ควรจะ